หนึ่งโอกาสที่เรามาพักอยู่ที่ป่าร่วมกันนนะก็มีการศึกษาเทระคถาในโอกาสที่เราเนักศึกษาพระไตปิฎกสิทธนอาจารย์สมบัติได้ออกมาสนามครั้งแรกเหมือนกับว่าเป็นการออกสนามเหมือนกันนั้นเพื่อที่จะมาสัมผัสกับ บรรยากาศที่พระยคุคาวาจรในสมัยพุทธกาลเนี่ยท่านได้ออกมาบำเพ็ญเพียรในในที่สงัดในที่วิเวกซึ่งสภาพบรรยากาศอย่างนี้เนี่ยหาไม่ง่ายนักสำหรับสาหรับคนในสมัยนี้นะครับที่จะได้มีโอกาสมาสัมผัสเนี่ย ซึ่งก็เป็นครั้งแรกในในชีวิตผมแล้วครับอาจจะเพื่อนๆด้วยเนี่ยที่ที่ได้มีโอกาสมาพบสภาพที่เป็นวิเวกนะจะทําให้เราได้ศึกษาพระไตปิฎกได้ได้ลึกซึ้งได้มองเห็นภาพอะไชัดเจนขึ้นเหมือนอย่างเราไปประเทศอินเดียแล้วเราไปยังสังเวชนีสถานเราทําให้เรานึกภาพอะไรออกมากขึ้น เพราะว่าในชีวิตเราไม่เคยออกมาที่เงียบเงียบแล้วมืดมืดแล้วก็อะไรนะที่โดดเดี่ยวซึ่งปกติคนทั่วไปก็ไม่อยากจะสัมผัสด้วยซ้ําไปนะครับแต่ว่ามันก็ทําให้เราเห็นบรรยากาศที่ที่มันสัปปายะสําหรับในการศึกษาพระธรรมอย่างหนึ่งก็ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่ได้นําเทระคถามาท่านอาจารย์แนะนําเทระคถามา มาอธิบายให้ฟังครัเกิดที่มาอยู่ในป่าแล้วก็เลือกเอาเทระคถานเนี่ยเราทั้งหลายก็ถือว่าเป็นผู้มุ่งการปฏิบัติธรรม เ, เมื่อมุ่งการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็มีบุคคลที่ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยยกย่องสรรเสริญว่าเป็นผู้ปฏิบัติ ด, ดีจรงิงๆก็คือผ้าอารหันต์ทั้งหลาย ทีนี้พระทหารหทั้งหลายในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็เป็นผู้ที่มุ่งการปฏิบัติดนั้นเมื่อเรามาอยู่ป่าในลักษณะนี้นะจึงเป็นเป็นการดีอย่างยิ่งถ้ามีการเรียนเถราคาถานี่ยนะเพราะว่าคาถาเหล่านี้ส่วนหนึ่งที่ท่านมาแปลงอุทานออกมาเนี่ยเนื่องจากท่านอยู่ป่าท่านจึงได้แปลงคาถาเนื่องจากเป็นผลของการปฏิบัติธรรมแล้ว การปฏิบัติทำการอยู่ป่าอยู่เขาเป็นต้นเนี่ยมันก็มีผู้ที่ปฏิบัติแล้วเข้าใจผิดเนี่ยนะมานั่งแล้วสมมุติว่าเกิดการเคลิบเคลิม้มหรือเกิดอาการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ผิดปกติขึ้นคําว่าผิดปกติก็คือที่มันไม่เคยเป็นมาก่อนก็นึกว่าตัวเองได้ดีนี่ยนะโดยเอาภาษาเวทนาเป็นเป็นการเข้าใจว่าได้เข้าถึงธรรมแล้วซึ่งเราก็ควรเอาตัวอย่างของผู้ที่ถึงที่สุดแห่งทุก ว่าท่านรู้อะไรท่านคิดอะไรท่านเห็นอะไรนะซึ่งพระนรท่านกล่าวไว้ในคาถาําเรื่องในเถระคาถาว่าขอท่านทั้งหลายจงฟังคาถาอันน้อมเข้าไปสู่ประโยชน์น่นะคือประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นน่เป็นต้นเนี่ยของพระเถระทั้งหลายผู้มีตนอันอ บ, บรมแล้วบรรลืออยู่ผู้มีตนอันอ บ, บรมแล้วนะตนในที่นี้หมายถึงจิต ก็คือผู้ได้รับการอบรมจิตแล้วอะ่ะท่านกล่าวเหมือนการบรรลือแห่งสีหะทั้งหลายซึ่งเป็นสัตว์ประเสริฐกว่าสัตว์เหล่าสัตว์ที่มีเขี้ยวทั้งหลายที่ใกล้ถ้ำภูเขาฉะนั้นก็พระเระเหล่านั้นมีชื่อมีโคตรมีธรรมะเครื่องอยู่มีจิตน้อมไปนะด้วยศรัทธาวิมุตต์หรือปัญญาวิมุตต์เป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้ไม่เกียจคร้านอยู่ในเสนาสนะอันสงัด มีป่าโคนไม้และภูเขาเป็นต้น น, นั้นๆได้เห็นธรรมะอย่างแจ่มแจ้งและได้บรรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมะไม่แปรพันเมื่อพิจารณาเห็นผลอันเป็นที่สุดกิจซึ่งตนทาเสร็จแล้วก็ได้พาสิทธเนื้อความนี้นั่นแหละซึ่งกล่าวโดยสรุปว่าคาถาที่พระเถระเหล่านี้ท่านกล่าวเป็นคาถาที่นามาสู่ประโยชน์ของตนของพระเถระ หมายถึงประโยชน์ท่านเนี่ยสเร็จประมัทประโยชน์แล้วใช่ั้ยท่านได้เข้าถึงพระนิพพานที่ท่านแทงตลอดพระนิพพานเนี่ยเนื่องจากท่านอบรมจิตเนี่ยนะอบรมจิตของท่านเนี่ยเป็นอย่างดีเยี่ยมจิตที่อบรมนี้อบรมด้วยอะไรก็อบรมด้ว ย, มวยสมถะกับวิปัสนาเมื่ออบรมสมถะวิปัสนาเนี่ยถึงที่สุดรอบสมถะวิปัสนาอีกชื่อหนึ่งเรียกว่ามร ก, ก็ได้ การอบรมมกักการบําเพ็ญมักนะนะั้นน่ะอย่างลงสู่พระนิพพานเป็นที่สุดเนี่ยนะมีพระนิพพานเป็นที่สุดรอดเพราะฉะนั้นผู้เมื่ออบรมส ม, มะถะวิปัสสนาจนแทงตลอดพระนิพพานแล้วเนี่ยหลังจากการบรรลุท่านก็เปลงอุทานออกมาเปลงอุทานเรียกว่าการบรรลือสีหานาถทีนี้ย้อนมาว่าพระเถระแต่ละรูปแต่ละรูปที่ท่านบรรลือสีหานาถนั้นนะ่ะท่านมีธรรมะเครื่องอยู่ มีจิตน้อมไปหรือที่ได้บรรลุเพราะศรัท ธ, ธาวิมุตตเพราะปัญญาวิมุตตเนี่ยเป็นผู้มีปัญญาปกติพื้นฐานท่านมีปัญญาสามอย่างหนึ่งติเหตุกะปฏิสนธิปัญญาอย่างที่สองปริหาริยกะปัญญาหรือที่เรียกว่าศาสกะสัมปชัญญะเป็นต้นอย่างที่สวิปัสนาปัญญาเมื่อท่านมีปัญญาเหล่านี้เป็นอย่างดีอ่ะจึงเป็นเหตุให้อริยมรรคปัญญาเนี่ยเกิดขึ้น แล้วชีวิตของท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่ไม่ไมเกียดคร้านอยู่ในเสนาสะนะที่สงดคำว่าสงดในที่นี้ไม่ได้แปลว่าไม่มีเสียงสัตว์อยู่เลยแต่หมายถึงสถานที่ที่ไม่มีเสียงคนอยู่เลยเพราะว่าเสียงสัตว์เดรัจฉานไปอยู่ที่ไหนก็ไม่มีเงียบหรอกยิ่งอยู่ปปาลึกสัตว์ยิ่งมากอย่างเราอยู่อย่างนี้นะหมูเดรัจฉานนี่มากขนาดไหนจนนับกันไม่วาดไม่ไหว แต่คําว่าอยู่ในที่เสนาสนะอันสงัดคือสงัดจากการสั่จรไปมาของมนุษย์นั้นที่ไหนบ้างอ่ะก็มีป่ามีโคนไม้มีภูเขาเป็นต้นนั้นๆอย่างของเราที่มาที่นี่ก็อาศัยอนุเคราะห์จากป่าไม้ใช่ไหมให้ได้อาศัยเสนาสนะที่เงียบสงัดเมื่อไปอยู่ในเสนาสนะเหล่านั้นเนี่ย ท่านก็มีได้เห็นธรรมะอย่างแจ่มแจ้งเห็นตัวนี้ว่าโดยย่อก็คือเห็นด้วยวิสุทธิ5ประการคือด้วยทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณว า, า, า, าวิสุทธิมัคคามัคคายาณทัศนาวิสุทธิปฏิปทายาณัศนาวิสุทธิและญาณทัศนาวิสุทธิเนี่ยนะก็คือวิปัสนาทั้งหลายวิสุทธิทั้งหข้อว่าโดยย่อก็คือปริญญาสาม เพราะนั้นท่านเห็นธรรมะเหล่านั้นอ่ะได้แจมแจ้งด้วยปริญญาสามนั่นเองจึงได้บรรลุพระนิพพานพระนิพพานนั้นถ้าว่าโดยสภาพธรรมแล้วเป็นธรรมที่ไม่แปรผันซึ่งต่างจากอุปาทานขันห้าอุปาทานขันห้านั้นเป็นสภาพที่แปรผันส่วนพระนิพพานนั้นไม่แปรผันเมื่อท่านอบรมอริยมรรคจนบรรลุพระนิพพานอย่างนี้แล้วท่านก็พิจารณาเห็นผล ผลก็คืออรหัตตผลอันเป็นที่สุดกิจแห่งตนท่านเหล่านั้นก็เลยได้บรรลือสีหานาทออกมากันอย่างยกตัวอย่างว่าพระสุภูติเทระเนี่ยนะท่านบรรลือสีหานาทก่อนเป็นรูปแรกอย่างพระสุภูติท่านบรรลือสีหานาทว่าดูก่อนฝนกุฏีของเราเนี่ยมุงดีแล้วมีเครื่องป้องกันอันสบายมิชิดดี ท่านจงตกลงมาตามสะดวกเถิดจิตของเราเนี่ยตั้งมั่นดีแล้วหลุดพ้นแล้วเราเป็นผู้มีความเพียรอยู่เชิญตกลงมาเถิดฝนก็คำบอกว่ามีเครื่องป้องกันอันสบายมิชิดดีเนี่ยนะท่านจงตกลงมาตามสะดวกเถิดอันนี้หมายถึงอาที่ศีลสิกขาของท่านเนี่ยดีมากคือคนที่ศีลไม่ดีเนี่ยนะถ้า ถ้าไปอยู่ในสถานที่เงียบๆ เ, เลยถามว่าสบายใจไหมไม่สบายใจเพราะฉะนั้นนิมิตว่า น, นั่งอยู่อย่างมีความสุขเนี่ยประกาศถึงว่าศีลดีก่อนที่บอกว่าเราอยู่กุฏิอันมุงดีแล้วมีเครื่องป้องกันอันสบายมิชิดดีเนี่ยค้นเชิญท่านตกลงมาเถิดฝนอันนี้แสดงว่าคนธรรมดาทั่วๆไปนี่จะกล้ามั่นใจพูดขนาดนี้หรือใช่ไห ม, มน้องแปลว่าถึงท่านจะตายท่านก็ไม่ได้อะ นึกเอะใจระแวงใจอะไรสักอย่างเนี่ยนะเพราะท่านมีมีคุณคือศีลเป็นอย่างดีจิตของเราตั้งมั่นดีแล้วอันนี้หมายถึงอธิจิตตสิกขาเนี่ยนะอธิจิตตสิกขาท่านบอกว่าหรือตั้งมั่นด้วยอปปนิหิตะสมาธิเนี่ยนะหลุดพ้นแล้วเราเป็นผู้มีความเพียรอยู่เชิญตกลงมาเถิดฝน ที่คำพูดพูดถึงเสนาสนะนั้นหมายถึงอธิศีลสิกขาคำพูดที่กล่าวว่าจิตเราตั้งมั่นดีแล้วหมายถึงอธิจิตตสิกขาเราหลุดพ้นแล้วด้วยปัญญาก็เป็นอธิปัญญาสิกขานั่นเองเ น, น, นะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเป็นผู้มีความเพียรอยู่ที่ที่บรรลุสิกขาสามเนี่ยทําด้วยความเพียรนะเพราะฉะนั้นให้ตกลงมาเถิดฝนเนี่ย น, นะ ก็สำนวนว่าเป็นเนี่ยเป็นคำคำรามของพผ้ารหันนะนะ เ, เรียกว่าบัลลือสีข้หนาก็คือแปลไทยๆแล้วว่าคำรามนั่นเองอนะที่มีศีลและสมาธิมั่นคงแล้วเนี่ยกับผู้ที่ศีลไม่ไม่ศีลและสมาธิไม่มั่นคงเนี่ยแล้วมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมสงบสงัดอย่างนี้เนี่ยมีมีผลต่างกันยังไงครับเคยเคยประสบการณ์มาคับอาจารย์เคย ประสบการณ์มาอย่างไนบ้างครับถ้าศีลไม่ดีเนี่ยนะอย่างหนึ่งเราเองเนี่ยไม่สบายใจเลยถ้าโดยเฉพาะสถานที่เงียบๆ เ, เนี่ยนะแล้วก็มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยถ้ามนุษย์ด้วยกันเนี่ยมันมันรู้กันและกันใช่ไหมหรืออาจจะกลบเกลื่อนปกปิดอะไรกันได้แต่ถ้าสิ่งแวดล้อมแบบนี้เราก็มีมีกรรมสกการู้อยู่แล้วว่ามีมนุษย์ทั้งหลายอยู่ ทีนี้ผู้ที่ศีลไม่ดีเนี่ยเป็นไปได้ที่อมนุษย์จะทําอันตรายได้ด้วยเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นคนที่ศีลไม่ดีเนี่ยเริ่มระวแวงล้หรือมาอยู่ในที่เสนาสนะอันสงัดในสถานที่เงียบๆ เ, เนี่ยภัยอันตรายมีรอบด้านจากงูงเงียเ้ยวเขี้ยวเสือหรือถ้าป่วยถ้าไข้ทํำยังไงอ๋อเพราะฉะนั้นปัจจัยแห่งความตายนี่มีมากเหลือเกินคนศีลไม่ดีเนี่ยนึกเองไปไหนเนี่ยเนี่ยถ้าตายตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้น จะเกิดโรคโรคอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยกำเริบขึ้นเนี่ยเราจะทำยังไงปกติคนที่ศีลไม่ดีค่อนข้างจะเดือดร้อนคือเดือดร้อนมุ่งที่จะรักษากายเป็นประมาณแต่ถ้าคนศีลดีแปปเนี่ยก็ไม่สนใจอะไรจะเกิดก็เกิดขึ้นในแง่ของร่างกายเนี่ยเพราะว่าร่างกายยังไงก็คือมหาภูตรูปวันยังคำ่ำมันเลี้ยงไม่เชื่องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่ อ, อรู้ความเป็นจริงของมหาภูตรูปอย่างนี้ขึ้น ท่านก็เลยมีจิตน้อมไปที่จะสลัดออกมากกว่าเนี่ยนะสลัดออกจากว่าทำไงจะได้ไม่ถือเอามหาภูตรูปอันใหม่อีกทิ้งมหาภูตอันนี้ที่บริหารหนักหนาสาหัสเนี่ยนะแล้วก็จะต้องไม่ถือมหาภูตรูปมาบริหารอีกต่อไปผมเข้าใจงี้ถูกกัป่าไม้ใช่ไคือว่าถ้าถ้าศีลเราดีนะหรือว่าศีลศีลก็ดีสมาธิดีเนี่ย เราเรามั่นใจว่าอย่างน้นอยอมนุษย์ก็คุ้มครองเรารักษาเราเจนิญพันก็ทำให้เราเนี่ยไม่ค่อยหวาดระแวงเกิด ค, คนที่มีศีลดีเนี่ยมีเด็ดในพระไตรปิฎกหลายแห่งก็กล่าวถึงว่าผู้ที่มีศีลดีเนี่ยถ้าไปอยู่โคนไม้ต้นใดเนี่ยถ้าอมนุษย์เขาอยู่บนโคนบนไม้ต้นไม้ต้นนั้นเขาต้องลงหนีอย่างในกรณีเมตสูตรที่ ในนิทานคือท้องเรื่องเนี่ยได้กล่าวว่าอย่างนั้นนัผู้ที่มีศีลดีเนี่ยอมนุษย์ก็ยำเกรงเคารพเกรงกลัวแต่ถ้าศีลไม่ดีอ่ะถ้าศีลไม่ดีเนี่ยเขบอกว่าที่สุดแม้กระทั่งปีาศาจคลุกฝุ่นเนี่ยคือหมายถึงเปรต เ, เล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยก็ยังเบียดเบียนรังแกอยู่ได้แต่ว่าพวกอมนุษย์ทั้งหลายเป็นต้นก็ก็หวั่นเกรงหรือเคารพหนักแน่นในผู้มีศีลเนี่ยนะเพราะว่าเดชแห่งศีลเนี่ยครอบงาเดชแห่งสิ่งทั้งปวงผู้มีศีลดีเทวดาก็ปกปักรักษาเป็นต้น คือคนที่มีศีลดีเนี่ยมันทำให้ยังไงมีใจสงบเยือกเ ย, ย็นไปโดยธรรมชาติแต่ถ้าศีลไม่ดีเนี่ยมันเริ่มเร่าร้อนอะเร่ า, นะ ร, าร้อนนะเอ๊ะมันจะยังไงกันแน่เนี่ยนะในที่สุดก็ต้องย้อนกลับไปหากรรมอีกจนไดนนะ้เพื่อจะมากลบเกลือนตัวเองน่นะอดที่จะบริโภคกรรมอีกต่อไปไม่ได้หรือไม่ก็นั่งคิดถึงกามวิตก คิดถึงญาติวิตกบ้างชนบทวิตกบ้างแล้วแต่อะไรจะเกิดขึ้นมาเนี่ยถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งไม่มีความไม่มีความสบายใจในอากังเค ย, ยสูตรมัชฌิมนิกายมูลปัณนนานพองศ์บอกว่าถ้าเธออยากจะละอารติและระเตเนี่ยให้จงมีศีลจงสำรวมแล้วด้วยความสำรวมในพระปาฏิโมกคําว่าอารตินี่แปลว่าไม่ยินดีในเสนาสนะอันสงัดฉั้นคนศีลไม่ดีเนี่ยไม่ชอบที่อยู่สังกัด ไม่ชอบที่จะหลีกเร้นชอบคลุกคลีศีลไม่ดีเมื่อไหร่ต้องการคลุกคลีเมื่อ น, นั้นแต่ถ้าคนศีลดีต้องการหลีกเร้นเพราะว่าการหลีกเร้นอย่างน้อยที่สุดกายวาจามไม่กำเริบเพราะฉะนั้นศีลจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่ศีลดีเนี่ยจะละอารติคือความไม่ยินดีในเสนาสนะอันสักระและทีนี้อย่างหนึ่งคนศีลไม่ดีเนี่ยไม่ยินดีที่จะอบรมสมถะและวิปัสนา ไม่ยินดีในการอบรมจิตของตัวเองให้เป็นกุศลยิ่งยิ่งขึ้นไปภาษาธรรมะเรียกว่าอาธิกุศลคือกุศลอันยิ่งศินไม่ดีไม่ต้องการจะอบรมคุณชั้นสูงเพราะรู้ว่าคุณธรรมของตัวเองเนี่ยรองรับคุณเหล่านั้นไม่ได้นี่อย่างหนึ่งเรียกว่าถ้าศินดีเนี่ยละอารติอันนั้นได้แล้วก็ละระติได้ด้วยรตินี่แปลว่าความยินดีในการมาคุณถ้าสินดีขึ้นเนี่ยก็จะเริ่มเห็นภัยในการมาคุณนี่นะว่า นี่ถ้าเราเพลดิดเพลินในการมคุณอันเป็นของมนุษย์เนี่ยพบต่อไปยังไงก็ต้องมาเกิดเป็นเป็นมนุษย์ทีนี้การเกิดเป็นมนุษย์ถามว่ารักษาสินง่ายไหมล่ะเอาสมมติถ้ามาอีกรอบหนึ่งนะแค่แค่ว่าพบนี้เราเองก็มาถ้าถ้าเป็นผิดศินหนึ่งครั้งเนี่ยถ้าเป็นแผลเป็นหนึ่งทีเนี่ยร่างกายอาจจะดูไม่ได้เลยยังไงถ้ามาเกิดในพบใหม่ที่าศาสนาจะย่ำแย่ลงมากกว่านี้อีกเนี่ยมันจะแค่ไหน ไม่รู้ไปทําบาปทํากรรมอะไรอีกนักหนาะอี ก, ก็ไปก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเห็นโทษของกรรมมาคุณทันทีเลยทํายังไงที่จะข้ามกรรมมาคุณเหล่านี้ออกต่อไปได้เพระะ้ะจะละความยินดีในกรรมทั้งหมดออกไปเพราะว่านิมิตของการเกิดในมนุษย์ก็คือการเพลดิดเพลินในหมู่มนุษย์ทั้งหลายอ่ะเป็นรหัสเครื่องเตือนว่าคุณเนี่ยไม่พ้นมนุษย์นะอนะสมมว่าเพลดิดเพลินในหมู่คนทั้งหลายอนาคตเป็นคนสูง ถ้าเจริญเทวตานุสติมากเป็นต้นเนี่ยอนาคตก็คือเทวดาถ้าคิดถึงแต่คนด้วยเรื่องด้วยกัรเนี่ยอนาคตก็ไม่รู้ไปอยู่คันใครอีกก็ไม่รู้เนียเหมือนเมื่อวานเนี่ยที่สนทนากับผู้การว่าเนี่ยผู้หญิงที่เราเห็นเนเนี่ยเรามีสิทธิ์ไปอยู่ในคันได้หมดเล ย, เยถ้าเรายินดีในหมู่มนุษย์ทั้งหลายเหล่านี้แต่ในขณะเดียวกันผู้ที่เจริญสมถะวิปัสสนาไม่ใช่เห็นมนุษย์ทั้งหลายเป็นบุคคลที่น่าชิงชังด้วยโทสะ แต่รู้เหตุรู้ผลความเป็นไปของมนุษย์อย่างเต็มที่ว่าเมื่อเกิดในมนุษย์แล้วจะเป็นยังไงต่อไปแต่นี้ขณะเดียวกันเนี่ยการเกิดเป็นหมู่มนุษย์เนี่ยทุกตั้งแต่อยู่ในคันแล้วใช่ไหมเดือดร้อนตั้งแต่อยู่ในครันเดือดร้อนตั้งกับบริหารคันเดือดร้อนตั้งแต่คลอดจากคันดูร้อนมาเนี่ยนะเจ็บป่วยรักษาเนี่ยโรคเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะวัคซีนไม่รู้กี่วัคซีนเนี่ยคลอดออกมาก็ถูกฉีดยาไม่รู้กี่เข็มต่อกี่เข็มอีกแล้ว โตขึ้นมาหน่อยก็มาเรียนมาเรียนก็เพื่อจะแย่งชิงในวัตถุกรรมกันทีนี้การแย่งชิงวัตถุกรรมเนี่ยนะวัตถุกรรมเนี่ยธรรมะท่านถือว่าเป็นสิ่งที่ที่เป็นของเน่าเหม็นเนี่ยนะพันไอการแย่งชิงของเน่าเหม็นเนี่ยมันจะต้องใช้ความสะอาดใช่ไหมไป แ, แย่งชิงไม่มก็เลยแย่งชิงในสิ่งที่สกปรกด้วยเจตนาที่ที่สกปรกนั่นนะก็ประสบะการณ์ของเราทั้งหลายเนี่ย เห็นไหมว่าม er. ีวัตถุกรรมชิ้นใดที่สัตว์ทั้งหลายได้มาโดยสุดจริตยุทิธรรมจริงๆโดยมากนะเป็นอย่างนั้นไหมไม่เป็นได้มาด้วยความโลภอย่างรุนแรงบ้างได้มาด้วยความโกรธอย่างรุนแรงบ้างความโลภบางอย่างเนี่ยทำให้ร่วงกรรมบดถึงกับอาทินนาธานเป็นต้นความโกรธบางอย่างก็ถึงกับฆ่าบุคคลที่มาขัดขวางคนที่จะคนที่มาขัดขวางวัตถุกรมของเราเนี่ยนะถึงกับทําปานาติบาตบ้างทํา อาทินนาทานบ้างเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็อันนั้นคือโทษของกามทั้งหลายเพราะฉะนั้นถามว่าวัตถุกามนี่น่ากลัวขนาดไหนก็ฟังจากเสียงตอนนี้เนี่ยคือวัตถุว ะ, ว ะ, ว ะ, วะนั่นแหละคือเขาเพลิดเพลินในวัตถุกามเสียงที่เรากําลังได้ยินอยู่นี้เนี่คือเสียงเดรชานเนี่ย ท, ที่ที่เรียกว่ามานาิกานแล้วไม่รู้ตัวไหนเป็นตัวไหนที่มันมากขนาดนี้เนี่ยนั่นเป็นผลของการติดในวัตถุกามด้วยอํานาจ การทุศีนเนี่ยนะไปเกี่ยวข้องกับวัตถุกรรมเนี่ยแล้วทุศีลเนี่ยนี่คือผลที่เห็นเห็นอยู่เลยเพราะพระองค์ตรัสไว้ว่าผู้ที่ทุศีนเนี่ยนรกกับเดราชานทั้งหลายนั่นเองเนี่ยนะนั้ น, ะ น, นหมู่เดราชานทั้งหลายที่ที่ปรากฏขึ้นก็คือโทษผลมาจากการทุศีนเมื่อทุศีลอย่างนี้เข้าเนี่ยนะคนก็อยู่สภาพแบบนี้ไม่ค่อยได้เนะสภาพจิตรับไม่ได้เพราะฉะนั้นกะ็วนเนี่ยนะ ตั้งโครงการไว้เดือนหนึ่งอาจจะอยู่ได้สัก3ามวันเนี่ยนะมีธุระแล้วคิดถึงคนโน้นทีนั่นก็ยังทำไม่เสร็จนี่ก็ยังยก็เอาแล้วนีเป็นเครื่องทดสอบกําลังใจและทดสอบผลการปฏิบัติความเข้าใจธรรมะหรือว่าทดสอบศีลของเราเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นก่อนจะกลับมีคุณมุนชูนะต้องเป็นนอนแทนผมอย่างน้อยทัคืนสองคืนเพราะว่ามันเป็นบ้านเดียวห่างไกลามาก ห่างไกลามากเลยนะออลองดูนี่อีกใดหนึ่งก็ถ้าเนื่องจากผู้ที่โทสะเจริตเนี่ยนะอย่างหนึ่งบางทีมนุิการแต่ปฏิฆะนิมิตที่เรียกว่ากลัวอมนุษย์เป็นต้นเนี่ยนะถ้าเป็นพวกนั้นก็พระองค์ก็ตรัสไว้ว่าให้ไปเจริญพุทธานุสตินะเพราะว่าถ้าเจริญพุทธานุสติจะทําให้หายกลัวอมนุษย์ได้ก็คือคือสัญชาติแห่งคนขี้ขลาดนั่นไงเถอะ พอรู้ว่าโอ้ที่นี่มีอมนุษย์ก็กลัวพระ อ, องค์ก็บอกว่าอารัญเยรุขมูเลวาสุญยาคาเรวพิกโวนเนี่ยนะที่ที่พระสูตรอยู่สูตรหนึ่งอะทาชักสูตรอะสูตรที่เปรียบเหมือนธงเนี่ยนะมันพระ อ, องค์ก็บอกว่าให้ละลึกถึงพระพุทธเจ้านะถ้าล ะ, ละลึกถึงพระพุทธเจ้าเธอจะหายกลัวล ะ, ละลึกว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้พระผู้มีพระภาคนั้นเป็นพระอรหัน์ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระ อ, องค์เองถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว เป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นผู้ฝึกสารถีที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอาจารย์บางท่านกล่าวว่าสมัยที่ไปอยู่ป่าช้าเนี่ ย, ยกลัวชนิดที่เราไม่เคยกลัวขนาดนั้นมาก่อนเลยมันก็บอกว่าอาศัยเจริญพุทธานุสตินี่แหละอย่างน้อยที่สุดไม่ได้อะไรก็สวดอิติปิโสก็ได้สวดบาลีได้ก็ดีสวดแปลได้ก็ดีหรือเอาบทว่าอรหังเนี่ยมาคิด อรหังไกลจากกิเลส ท, ที่เรากลัวนี่มันกิเลส ท, ทั้งนั้นแหละเหมัอนกันนะนี่คนมีกิเลสมันกลัวขนาดนี้เองคนไม่มีกิเลสมักลัวขนาดนี้หรอกเหมือนนคนมีกิเลสนี่แหละจึงโทสะเดือดร้อนเร่าร้อนถ้าผู้ไม่มีกิเลสอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ที่ไหนก็เป็นสุขนะอยู่ปา่าไหนก็เป็นสุขอย่างนี้นะก็เอาเจริญพุทธคุณเป็นต้นถ้าเจริญถ้าไม่หายก็ เ, เจริญธรรมคุณว่าพระธรรมทั้งหลายเนี่ยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสอนก็เพื่อละ ละความขลาดละความกลัวละทุกโทษละบาปอกุศลเหล่านี้นี่แหละเนี่ยนะเพราะความกลัวนี้เป็นอะไรเป็นโทสะเนี่ยนะโทสะมีโทษหรือไม่มีโทษก็มีโทษแล้วเป็นธรรมะที่ให้ผลเป็นเป็นทุกข์ด้วยเนี่ยนะถ้าสะสมไปมากๆก็เป็นโทสะจริตพระธรรมคําสอนเนี่ยสีนําออกชึ่งโทสะแต่ทีนี้ถ้าจะละโทสะได้ที่เรากลัวมีโทสะอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเรารักชีวิต เพราะเรารักชีวิตรักตัวรักอุปาทานขันห้าอันนี้นั่นเองนะถ้าไม่รักอุปาทานขันห้าอันนี้จะกลัวขนาดนี้ไหมอุปาทานขันห้าเป็นธรรมะอะไรธรรมะสอนว่ายังไงปาทานขันห้าเป็นปริญยยธรรมนะเพราะฉะนั้นถ้าตัดฉันธราคาในขันห้าได้นะจะไม่กลัวขนาดนี้เลยจะไม่มีอะไรน่ากลัวอันที่จริงสิ่งที่เรากลัวก็คือขันห้าก็เนื่องจากรักขันห้านั่นแหะจึงกลัวขันห้า กลัวขันห้าอันตรายครับกลัวอันที่จริงจริงแล้วคือกลัวขันห้าอันตรายไม่ว่าจะกลัวอมนุษย์กลัวอะไรก็แล้วแต่หรือว่ากลัวมนุษย์ด้วยกันก็ตามนะฮะกลัวขันห้าได้รับอันตรายจริงๆใช่รักมากก็รักขันห้าภายในอ่ะจึงกลัวขันห้าภายนอกก็ดีนะเจริญกายยะวิเวกกันไหถ้าถามว่าที่ไหนมั่งอยู่คนเดียวไม่มีหรอกเพราะขันห้าอยู่รอบรอบเนี่ยได้ยินเสียงในขันห้าทั้งนั้นนลย ใช่ไหมถ้าขันห้าไม่ประชุมกันนะเสียงไม่ดังแบบนี้หรอกเนื่องจากขันห้าประชุมกันไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่แล้วเนี่ยไม่คนเดียวหรอกมีเพื่อนมาด้วยน่ะ ต, ตันหาเป็นเพื่อนอทีนี้เราควรมาศึกษาเบื้องหลังของพระเถระเหล่านั้นบ้างในเถระคาถาในประมตถีปณีคุธกานิกายเถระคถ า, าเนี่ยในคมพีทั้งหลายปกติแล้วท่านจะ กล่าวคำนอบน้อมพระตนะตรยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของคำพีเพราะว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้เคารพนับถือพระตนะตรายเป็นเป็นที่สุดเนี่ยนะมันทาอะไรจะต้องระลึกนึกถึงพระตนะตรายก่อนถ้าเป็นคนไทยเลยนะทำอะไรก็ตั้งหน้าโมก่อนคนไทยแท้โบราณหน่อยนะจะตั้งหนโมทุกเรื่องอนะ่ะจะทำอะไรก็ตั้งหน้าโมหมดจะนอนก็ตั้งนโมตื่นขึ้นมาอีกตั้งหน้าโมอกีก จะก่อนจะให้ทานก็ตั้งนะโมก่อนจะสมาทานศีลก็ตั้งนะโมถึงไตรสรณคมก็ตั้งนะโมก็แปลว่าความนอบน้อมอะนะนะโมตรงนั้นแปลว่านอบน้อมถือการนอบน้อมพระตนะไตรเนี่ยเป็นเบื้องเบื้องนําหน้าเลยเพร่อไรพราะนั่นคือการถึงไตรสรณคมอีกวิธีหนึ่งเนี่ยนะผมกล่าวย้อนลังไปนิดหนึ่งนะฮะพูดถึงว่า <c oughs> เรากลัวอ่ามนุษย์หรือกลัวความมืดกลัวความเงียบก็ดีนี่นะครับอันที่จริงเนี่ยนะครับถ้าหากว่า ผู้ที่ไม่มีอะไรคุ้มกันเลยคือไม่มีศีนไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาอะไรเลยนี่นะครับอย่าอยาว่าแต่สภาพอย่างนี้เลยครับที่กลัวนะครับแม้แต่ว่าอยู่คนเดียวหรือว่าอยู่ในห้องเดียวาสถานที่แปลกๆซึ่งไม่เคยไปนะครับก็เป็นที่หวาดกลัวนะครับอันนี้อันนี้ถามดูได้เลยจากประสบการณ์ทั่วๆไปนะฮะสมมติเราไปพักบ้านใครสักคนเอาบ้านด้วยเอา แล้วก็เขาก็<ๆ>ไม่เคยไปแม่เปลี่ยวก็ต้องกลัวนะหรือแม้แม้แต่โรงแรมนะอยู่คนเดียวเด็กมงคลก็กลัวมากเลยนะครับไม่กล้าอยู่คนเดียวครับแปลกมากมันก็ที่กลัวก็คือเพราะรักขันห้ามากนั่นเองที่เขาเป็นอย่างนั้นเพราะเขาไม่มีคุณธรรมอะไรเป็นเป็นอาวุธพอที่จะทําให้เขาหายกลัวเลยนะไม่มีเครื่องมือช่วยให้เขาหายกลัวแม้แต่นิดเดียวเขาจึงกลัวขนาดนั้น ไม่รู้ถ้ากลัวอย่างนั้นไม่รู้จะนึกถึงอะไรพอที่จะอุ่นใจอ่ะนะเครื่องอุ่นใจที่จะทําให้หายหวาดกลัวก็คือศีลเป็นต้นนั่นแหละหรือการถึงไตราสารณาคมอ่ะนะการระลึกถึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าถ้าเขาเคารพพระพุทธเจ้าเวลาเขาระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเขาจะไม่กลัวถ้าเขามีความเข้าใจในคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างดีอ่ะนะเอาเวลาที่กลัวนั้นมาเจริญพระสูตรแต่ละสูตรแต่ละสูตรที่พระองค์แสดงไว้เนี่ยนะ โอ้ยเลิกกลัวไปตั้งนานแล้วอันที่จริงที่เรามาอยู่วันนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้สิ่งแวดล้อมที่ที่ร้อเปร์เซตถ้าสิ่งแวดล้อมที่ร้อเอร์ซต้องไม่มีอาคารอย่างนี้นะไม่มีแสงสว่างอย่างนี้เนี่ยนะนั่นแหละถ้าอย่างนั้น <c oughs> จึงจะกล้าพูดได้ว่าเออนั่ น, น, น <c oughs> เขาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวฟังทำจบก็ไปาหาที่แบบนั้นก็ได้รอบๆเยอะเลยนะโคนต้นสนเนี่ย ป่าไม้ไม่หวงแม้แต่ต้นเดียวนะนั่งต้นไหนก็ได้เนี่ยนะลองก็ได้เนะี่ยไปเดินจงกรมอยู่แถวนั้นดูเถอสะสักครึ่งชั่วโมงอ่ะนะถ้าไม่มีกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งคุ้มครองเนี่ยนะโอ้โหเหงาบอกไม่ถูกนะเนี่ยเหงาบอกไม่ถูกหน้าเบือ่อสมัยที่เคยไปอยู่ป่าสมัยบวชใหม่ๆเลยเป็นเนรเนะี่ยนะอายุสิบแปดสิบเก้าปีเนี่ยโอ้ไปอยู่ป่าเปลี่ยวกว่า น, นี้เยอะก็ไอ้กลัวก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่อ่ะแต่ว่ามันเหงาอ่ะ ทำไงก็อาศัยสวดมนต์เอาเนี่ยช่วยด้วยการสวดมนต์เนี่ย <Okay. S 1> สวดพระปริพธเป็นต้นเนี่ยนก็เคยไปนั่งที่มืดมืดเนี่ยมืดมืดที่ลมมันโชยนิดๆิเนี่ยนที่กลางหุบเขาเนี่ยก็โอ้ ก, ก็ก็อยู่ได้เนี่ยเคยเพราะที่อยู่ได้เนี่ยเพราะเราอยากมาอยู่แบบนั้นมานานแล้วที่อยู่ได้เพราะอยากมาอยู่แต่ทีนี้ว่าถ้าผู้ที่ไม่มีฉันทะที่จะอยู่ในแบบนั้นอันนี้ก็อยู่ยากยังเนี่ย แต่ที่สำคัญถึงมีฉันทะถ้าไม่มีกุศลคุ้มครองเลยนะถามว่าโอ้โหชั่วโมงแต่ละชั่วโมงมันผ่านไปยากเย็นเหลือเกินสิ่งค็เบอกว่าเวลาเนี่ยมันช้ามากสำหรับคนที่ที่เดือดร้อนอยู่เนี่ยนะคนที่ฟุ้งซ่านเนี่ยโอ้โหเวลาเนี่ยมันช้าจริงๆเหมือนกับคนนอนไม่หลับนะเมื่อไหร่จะเช้าสักทีเมื่อไหรจะเช้าสักที พันการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้านี่ก็ช่วยเยอะและลึกถึงคุณของรพระธรรมนะถ้าทรงจําได้แต่ละสูตรแต่ละสูตรแต่ละสูตรเนี่ยเวลาในการอยู่อย่างเนี้จะแป๊บเดียวจริงๆโอสูตรนั้นก็ยังไม่ไดเอามาพิจารณาคําสอนหมวดนั้นก็ยังไม่ได้ปฏิบัติตามากายคตาสติก็ยังไม่ไดเจริญเวทนานุปัสนาจิตตาธรรมานุปัสนาก็ยังไม่ได้เอามาเจริญอริยมรรคประกอบไปด้วยองแปดสัมมาทิฏฐิก็ยังขาดเนี่ยนะกุศลเหล่านั้นเหล่านั้ น, น, นโอ้ขาดไปะละอย่างด้วยกันเลย เพราะฉะนั้นถ้าถ้ากุศลเจริญแล้วไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะนะก็ระลึกถึงพระธรรมนะใครที่ ท, ทรงจําพระสูตรได้ก็ระลึกตึกถึงพระสูตรพระสูตรต่างๆพิจารณาหมวดธรรมต่างๆแล้วก็สงเคราะห์พระธรรมเหล่านั้นลงในชีวิตจริงๆซึ่งธรรมะเนี่ยไม่มีพ้นขันห้าหรอกนิพพานเท่านั้นแหละที่พ้นขันห้าเพราะฉะนั้นถ้ายังอยู่ในขันห้านะเอาสูตรไหนมาพิจารณาก็ได้เอาขันห้าที่มีอยู่นี่แหละมาใครควรมาพิจารณาโดย รอบคอบนี้ต่อไปก็ถ้าไม่ระลึกถึงคุณของพระพระธรรมก็มาระลึกถึงคุณของพระสงฆ์นะนะระลึกถึงคุณของพระสงฆ์เนี่ยอย่างเทระคถาทั้งหลายเนี่ยพระอรหันต์ตั้งเป็นหลายร้อยรูปเนี่ยเราก็มาระลึกนึกถึงคุณของพระอรหันต์แต่ละรูปแต่ละรูปไปเนี่ยจะได้ร mm. ับสาระประโยชน์มากขนาดไหนเนี่ยนะถ้ายิ่งทรงจําคําของพระอรหันต์แต่ละรูปแต่ละรูปที่ท่านกล่าวด้วยแล้วเนี่ย ท่านเหล่านั้นแต่ละท่านเป็นผู้ที่มีความสุขจริงๆบางท่านเนี่ยถือว่าอดีตของท่านเคยเป็นกษัตริย์มาก่อนเป็นพระราชาที่ได้รับการอภิเสกการบวชของท่านท่านมาถือบาทท่านถือว่าเป็นการอภิเศกครั้งที่สองของท่านท่านท่านมีความสุขขนาดนั้นอ่ะอันนี้แสดงว่าเกิดจากอะไรท่านจึงมีความสุขขนาดนั้นก็เนื่องจากท่านเนี่ยตั้งมั่นอยู่ในสาระคือกุศลธรรมอย่างเต็มที่นั่นเอง นั้นในประมท ธ, ธีปนีท่านกล่าวคันธารำพรกถาว่าข้าพระเจ้าขอไหว้พระโลกกนาาเจ้าผู้มีพระทัยเปี่ยมล้นไปด้วยพระมหากรุณาที่คุณเสด็จถึงฝั่งแห่งสาครคือยัยธรรมได้แล้วทรงแสดงธรรมะอันละเอียดลึกล้ำมีนัยยะอันวิจิตรคำว่าโลกกนาเนี่ยนะโลกะบวกนาทะนาทะแปลว่าที่พึ่งโลกะก็คือสัตว์โลกทั้งหลาย พระพุทธเจ้าเนี่ยผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกจริงๆเนี่ยนะถามว่าสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยพึ่งพิงพระองค์ยังไงหรือพระองค์เป็นที่พึ่งพิงของสัตว์โลกยังไงเนี่ยนะกิเน้นสัตว์โลกที่มีวาสนาที่จะถึงไตสรสารนครสัตว์โลกที่มีบุญพอที่จะประพฤติปฏิบัติคุณธรรมชั้นสูงชั้นสูงหรือโดยที่สุดแม้แต่ให้ทาน ในในพระโลกนาจเจ้าเคารพกราบไหว้บูชาพระโลกนาจคือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคนเหล่านั้นน่ะจะเป็นปัจจัยแห่งความสุขทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นพระองค์จึงถือว่าเป็นเป็นที่พึ่งสมมตินะผู้ที่ไม่มีทรัพย์เนี่ยถ้าหากว่าทําบุญให้ทานกับพระพุทธเจ้าอันนั้นเป็นเหตุแห่งทรัพย์ของเขานั่นก็พระองค์ก็ช่วยเป็นที่พึ่งของเขาอย่างหนึ่งถ้าเขาไม่ดีทุศีลซึ่งเป็นเหตุแห่งอบายเขามารักษาศีลตามที่พระพุทธเจ้าสอน อันนั้นก็เป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้พ้นอบายเนี่ยนะหรือผู้ที่อบรมคุณธรรมชั้นสูงเพื่อให้พ้นจากภพพระองค์ก็สอนแนวทางเพื่อที่จะให้ออกจากภพทั้งปวงเพราะพระองค์เนี่ยจึงชื่อว่าเป็นที่พึ่งของโลกจริงๆถ้าเราอยู่อย่างนี้นะเรามาอยู่ป่าอย่างเงี้ยเราก็นึกดูนะว่า เอพระองค์เนี่ยเป็นที่พึ่งของเราตรงไหนบ้างตรงเนี้ยจะเห็นชัดนะนะเราจะเข้าใจพระพุทธคุณมากขนาดไหนเห็นคุณมากเห็นคุณน้อยก็ก็ดูกันตรงนี้แหละว่างั้นเถอะนะกาลังใจรู้ได้เมื่อคราวคราวมีภัยอ่นะภัยก็แปลว่าหน้ากลัวนะกลัวเมื่อไหร่ดูที่ว่าจะมีอะไรบ้างนะนะพระพุทธเจ้านั้นโดยพระองค์เองเนี่ยนะผู้บริบูรณ์ไปด้วยคุณธรรมทุกชนิด แต่คุณธรรมที่เกื้อกูลหรือคุณธรรมที่มุ่งสงเคราะห์สัตว์คุณธรรมอันนั้นก็คือกรุณาการุณาของพระองค์เนี่ยมากขนาดไหนบอกว่ามากเหมือนทะเลมหาสมุทรกว้างขวางไม่มีหรือว่าการุณาเสมอดุจอากาศก็ได้เพราะว่าโหหวังประโยชน์หวังความสุขในสรรพสัตว์เนี่ยทุกหมู่เรา อันนี้เป็นกรุณาของพระ อ, องค์ในขณะเดียวกันเนี่ยไม่ใช่กรุณาอย่างเดียวพระ อ, องค์ยังถึงฝั่งแห่งสาครคือยายธรรมอันนี้เป็นชื่อของปัญญายายธรรมเนี่ยคืออะไรก็ค ah. ืออภินญายธรรมปริญยายธรรมนั่นแหละนะพระองค์เนี่ยถึงฝั่งแห่ง ร, รู้ยิ่งถึงฝั่งแห่งการกําหนดรู้ถึงฝั่งแห่งการละถึงฝั่งแห่งการเจริญถึงฝั่งแห่งการทําให้แจ้งเนี่ยนะถึงฝั่งแห่งการอบรมเต็มที่หมดเนี่ยนะคุณธรรมทุกชนิดมีในพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเลย แล้วพระ อ, องค์ก็ยังแสดงธรรมะที่ละเอียดละเอียดตัวนี้เป็นชื่อของอะไรขันห้าละเอียดไหมไม่ละเอียดเน้นที่โลกุตระธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งเพราะสิ่งที่พระ อ, องค์แสดงเนี่ยที่ละเอียดคือโดยเฉพาะพระนิพพานเนี่ยเป็นผู้ที่ประกาศพระนิพพานที่ละเอียดลึกซึ้งแล้วก็ล้ำลึกลึกทั้งโดยเทสนาลึกทั้งโดยโดยอัดโดยธรรมและระลึกโดยลึกโดยการบรรลุ แล้วก็ธรรมะแต่ละสูตรแต่ละสูตรของพระองค์เนี่ยมีนยะวิจิตมากเนี่ยนะเอกัตนายนานั ต, ตนายอพยาปารายัยหรือว่านันทิยาวัตนายนสีหาวิกีลิตาในาเนี่ยนะตามนยะแห่งเนติปกรณ์เป็นต้น